ฟังทมกันวนะเพื่อให้เป็นสิ่งราดลองเป็นสิ่งข้อมูลในการปฏิบัติราจะยินได้ฟังการปฏิบัติทมนี่ก็คือมาเปิดตัว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 เอารับความจริงตัดสินใจด้วยความจริงเกี่ยวกับกายเกีกับใจจริงไหนที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเป็นทุกข์เป็นโทษแช่ขายมาช่วยกมาช่วยใจเราให้มันปลอดภัยจากทุกจากโทษทต่าง แต่ถ้ามีสติจะได้เห็นทุกเรื่องทุกเราที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจเมื่อเกิดขึ้นแล้าเด้เห็นเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวจะเป็นตัวขี้วัดผิดถูกอย่างไรไม่ใช่ความคิดมันพบเขิน เราะชคิดเห็นมันเป็นความรู้เห็นพบเห็นที่ที่มันเกิดกับกากับใจเนี่ยตามความเท็จความจริงเราจึงมามีสติดูร้อยเป็นหลักไว้ก่อนหรือว่ากรรมฐาน กรรมฐานคือการกระทาที่มีที่ตั้งอย่างมั่นคงสมาธิก็ไม่ตั้งไว้ในกายอะไรที่มาเกิดกับกายก็เห็นจะเมื่อเห็นเราก็จะได้รู้อะไรที่มาเกิดกับจิตใจก็จะได้เห็นเห็นเราจะได้รู้วองรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวที่วัดบอกผิดบอกถูกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ จะเปลี่ยนร่ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติมีเยอะแยะงานของเราที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นความถูกต้องเกี่ยวกับวามกับใจนี่ร่ายไม่ได้กับความถูกต้องมามากเหมือนกันจบ ก, ก็เป็นุกทุ ก, ก็เป็นทุกหลงก็เป็นหลง ใจก็มันรับความถูกต้องมานอนโกรธก็มันโกรธด้ใจเสียใจพอใจไม่พอใจมันไปไกแล้วอะไรเกิดกับใจก็พอใจไว้พอใจไม่ให้อยู่นิ่งไม่ให้ปกติเกื่อนหวผูภูแพรแพ่ถ้ามีสติจะได้รู้โอ้มีสติที่มัน สิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจมีสติรู้สึกตัวอยู่กับความมัธยันก็ไม่ได้ไปแฉด้วยความคิดกลับมารู้สึกตัวก็คือแฉแล้วคือมารู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดกับฟ้ากับใจก็กับมารู้สึกตัวนี่คือการปฏิบัติดาอะไรเกิดกับกายใจเป็นไปตามที่บรรดาการเกิดขึ้นพอใจก่ ไม่พอใจก็นั่นไม่ใช่ปฏิบัติปล่อย ใ, ใจพอใจไม่พอใจปล่อยให้กายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะเหลือ ต, ต้นหาป บ, บุกแต่งเลื่อยไปมันก็ไม่ได้ใช่ปฏิบัติเราจึงมาต้องกระวนการกำลังพลช่วยตัวเองช่วยกายช่วยใจแต่ถ้ามีสติรู้เป็นหลัก มันจะมีอำนาจมีสิทธิขี่วัดวามเทศขามจริงได้มันจะตืน่นถ้ามีสติมัจะตื่นสิที่ไม่ถูกต้องมันจะเห็นสิที่ไม่ถูกต้องถ้ามีสติเห็นแล้วไม่ได้ปล่อยทิ้งจะแก้ไขสติจะเป็นตัวแก้ไขกลับมาลูจักตัว กลายเป็นความรู้สึกตัวไปอะไรที่เกิดกับกายกับใจขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกตัวกลายเป็นความรู้สึกตัวเพราะมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งอะไรอะไรที่เกิดกับกายกับใจกับควารู้สึกตัวกับควรู้สึกตัวอย่างนี้วองหนึ่งวันหนึ่ง สองวันสามวันแล้วมาจะเกิดอะไรขึ้นตามมาทำอย่างนี้นั้นก็เป็นงานเป็นการงานของกายของใจลู่สึกตัวหรืองานกายงานใจอะไร่เกิดขึ้นมาลู่สึกตัวนี่คือทำงานแล้วช่วยกายช่วยใจแล้วปฏิบั ต, ทบตทิทำแล้วปฏิบัติตามทำแล้ว ไม่ปฏิไม่ใช่ปฏิบัติตธรรมธรรมนี่จะว่าปฏิบัติธรรมมันหัดได้สอนได้อย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่นี่ทำอยู่นี่มันจะตื่นเมื่อมันตื่นลูกตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจก็ชำนานมากขึ้น เคยสอนกายเคยสอนใจให้ลูกเจริตัวต่อไปต่อไปกายจะสอนมันเองใจจะสอนมันเองเลยช่วยตัวมันเองเดี๋ยววันนี้มันเป็นต้นข้ามรด น, นต้นอ่อนอยู่สติมันเป็นต้นอ่อนเป็นในกายสติมันเป็นต้นอ่อนเป็นในจิตใจอันนี้อันอื่นไว้อยู่แทนะมีพงุงมีหญ้ า, ม, ามีคามีพืช คุม พ, พ่อคุมอยู่เหมือนราปลูกต้นไม้ปลูกให่ใหม่ก็ต้องรักษาปลูกต้นข้าวปลูกใัม่ใหม่ก็ต้องรักษาสติเหมือนกับโพธิต้นค้าเล็กๆที่ปลูกไปนในกายในใจมีกรรมฐานเป็นที่รักษากรบมารู้จักตัวกับมารู้จึกตัวคือรักษา รักษาสติให้งอให้กำแต่เราเห็นว่ามันอะไรที่ไม่ใช่สติจะได้เห็นก็จะไม่ได้ปล่อยทิ้งนี่ไม่ใช่ต้นข้าวเป็นต้นย้าก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นตัวปฏิบัติในรักษาเมื่อมันแก่ก้าเติบโตขึ้นมามาจะจะช่วยมันเอง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 อันใดที่ไม่จำเป็นมัสลัดออกมันเหลือไวแต่สิ่งที่จำเป็นเพื่อใช่มันแม่หน้าแรงหน้าผลมันก็ปรับตัวเป็นมันช่วยตัวเองได้หัยใจของเราเนี่ยถ้าสอนมันเบื้องต้นเรามันจะช่วยตัวเองเป็นเจน่นชูบรี ติดบุรีติดเล่าติดเคยชินได้กิเลตัณหาที่ปุงแต่งทั้งกายทั้งใจไม่เป็นธรรมต่อกันรอบเป็นพลาจนเกิดยิดมั่นในอาการต่างๆเป็นตัวเป็นตนทำตามมันเอามาปฏิบัติแล้วจะช่วยตัวมันเองตื่นอะไรตื่นความคิดที่ไม่ตั้งใจ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 เหนียวแน่นคือความคิดจนกาย ก, ก็เห็นหมดบางทีอาจจะจบไปแล้วแต่ตัวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีโอกาสไม่มีการเวลาอันทางกายก็ดทางตาก็เห็นคักสเ็นข้าว ฟันหูก็เป็นข้างเป็นข่าวจมูกลื่นกายก็เป็นข้างเป็นขาวแต่ว่าจิตใจนี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างไม่มีการไม่มีเวลามันคิดได้มันเป็นอะไรได้สติมันจะสนุกดีตื่นทวงคิดนี่ยิ่งกว่าตื่นเสียงผู้เสียงระเบิดเสียง้ยงาโล หยาบที่สุดความชิดหน่หวนไหวเพราะความชิดเพิ่มมันตื่นความชิดเต้นความชิดมันก็รู้สึกตัวขณะที่มันตื่นที่มันคิดกันมามันตื่นมันเกลียดมันหน้ามันหน้ามันมันเปื้อน มือนเปิดเปลืป่นเมื่อเหมือนเปิดเปลื่นพระความคิดเนี่ยมันจะไม่ยอมไม่กีรพอบถ้าตื่นจริงๆเน่ยเห็นความคิดเนี่ยนี่เราว่ามัมเพลิงถังกิดพระพุทธเจ้าตัดสรูทางกิดคือลักษณะแบบนี้เป็นพุท ธ, ธคุณแบบนี้กวมคิดเหมือนเครื่องเป็นเรื่องหยาบคลาย น่ารังเกียจมากคิที่ไมไ่ตั้งใจนะไม่ใช่ตั้งใจคิดนะเอาวิชานะไม่ใช่วิชานะวิชาคือตั้งใจคิดที่มีการตนงานแต่อวิชาไม่ไตั้งใจมันคุ้มเคือเปลี่ยจากความคิดเป็นอวิชา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 าอาจจะประกาศตรงนี้อาจจะหลุดพ้นตรงนี้เหมือนหลวงปูเทียนเติ่นความคิดเหมือนคนมาผักหลังต้อมสติมันแก่ก็ที่บ่าความคิดมันละเอียดไม่ใช่เลยหยาบที่สุดเติ่นความคิดเหมือนกับมันเกิดตรงกันข้าม ประกาศสรภาพตรงนี้ได้ต่อไปนี้คําว่าสุขทุกข์เกิดจากความคิดจะไม่มีถ้าหมั่นตื่นจริงๆนะความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดอะไรที่มันเกิดจากความคิดหยุดกันหมดหมือนก็นตัดต้นมันตายมันก็ชนตัดเถาไม้มันคุมต้นไม้สู ง, สง ทำไมต้นไม้ไม่หายใจไม่ได้ไม่รับอากาศถ้าเราจะไปตัดต้นปายอยู่ที่ปลา ย, ลายต้นไม้มันก็สูงมันตัดมันได้ก็ตัดต้นมันอยู่พื้นดินเนี่ยมันก็ยุบมันก็เหี่ยวแห้งไปเลยมันเหี่ยวแห้งหลายอย่างอะไรที่มันเกิดจากความพิษเหี่ยวแห้งร่วงลอยหลายหลายอย่างขึ้นมา มันก็ดูมันเหี่ยวแห้งดูมันปาลาชัยพอ ป, ประกาศออกมาว่าเอออันความสุขความทึกเกิดจากความคิดเฉลยตัณหาเกิดจากความคิดโกรธโลภหลงเกิดจากความคิดเหนสุขเนทุกข์เกิดจากความคิดมากมายเหี่ยวแห้งร่วงโรยลงตรงนี้มันเหมือนกับไม่ใช่ช น, นะปภาวะจิตก็เปลี่ยนแปลงไ ป, งปตรงนี้ อาจจะเป็นบรรลุคุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งได้เห็นความเทศความจริงชัดเจนตามเหตามปัจจัยแล้วก็ถือว่ามีผลงานบ้างเกี่ยวกับารปฏิบัติได้เห็นความเทศความจริงที่มันเกิดกับปากกับใจได้แจ้ไขเป็นความเป็นธรรมขึ้นมาปฏิบัติตามธรรมขึ้นมา สิ่งที่ไม่ได้เกาจะให้เป็นธรรมขึ้นมาเกือบจะหมดแาดสิบเรตอถ้าเห็นความคิดจริงๆมีสติเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนทำลายอาวิชชาทำลายส ม, มุทยัยที่เป็นเหตุ นี่สติเป็นอย่างนี้งานของสติเป็นอย่างนี้ต่อไปมัจะดูแลตัวมันเองอสอนแต่เบื้องต้นต่อไปจิจะสอนจิตการจสอนการเช่นสุบุรีสุบุรีที่มันจะกล่อมก่อนจะหัดมันก็ติดเพราะอสูบพอสูบมันก็ติดเพราติดมันก็อยากพอายากเพอสูบเพราะสูบก็ติดก็ติดก็หยาก ตป็นอย่างนั้นโลกรถของโลกจะไปห้ามไม่ให้มันอยากไม่ได้เมื่อสศกก็ติดก็เมื่อติดก็อยากเมื่ออยากก็โศกเมื่อโศกก็ติดมันเป็นวงกลมตัดวงกลมออกอะไรคือตัวเหตุคือ ก, กรรมเป็นเหตุสมุทยเป็นเหตุคือกรรมเนี่ย นี่เพราะมันฝึกไปแล้วมันเห็นเท็จความเท็ดความจริงแล้วพ่อไม่สูบมันก็ไม่อยาบพ่อไม่อยาบก็ไม่สูบพ่อไม่สูบมันก็ไม่หยาเพร่อไม่ติหยาไม่ันก็ไม่สูกมันก็เป็นไปเองกายก็ช่วยกายเองมันจะเอาไม่ได้ใจจะช่วยใจเองมันจะอารับไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมมีการตัดสิน ตัเองด้วยความเป็นธรรมเอาทำเป็นเครื่องตัดเฉินถูกต้องทุกๆเรื่องที่มันเกิดกับปากกับใจเรานี่ <c oughs> ก็ได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาตามกำลังของการปฏิบัติงานก็บ่งบอกว่าเราเกิดความเพียรเกิดจตนาในการทาแบบไม่ขึ้นมามีผลขึ้นมาบ้าง ยากการการทำแล้วทําอะไรก่อนแล้วว่างความหลงก็เห็นแล้วความทุกข์ก็เห็นแล้วความโกรธก็เห็นแล้วเห็นแล้วของลูกเห็นแล้วผ่านมาแล้วมันก็ดูข้างหลังแล้วมันก็ไม่ยอมถอยทำพาไปแล้วะเบน ทำคุ้มครองรักษามากมายมีศินมีสมาธิมีปัญญาจุนมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยไม่ให้หลงไม่ทุกข์ไม่มีโทษมันถ่วมคุ้มครองผู้รักษาประพฤติทำอยู่เสมอทำจะรักษาพฤติทำอยู่เป็นนิจผู้พฤติทำย่อมไม่มีปัญหาอะไร มันก็จบเป็นชีวิตของเรานี่เพราะมันเห็นทวงเทศกวามริงมันก็ต่างการสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติมีสติมันเป็นตัวที่สัมผัสเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดกับกายกับกายถ้ามีสตินะ มือนกับผ้าขาวสะอาดคนมีสติเหมือนกับผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่มาเปื่อยเปื่อเหมือนก็บิงจกป่งไม่ใช่สติรูดึกตัวมือนกับชักอกเขาก็สะหลงที่ใดรูทีนั้นความหลงก็สะดออกจกป่งความทุกข์ที่ใดรูที่นั้นโกรธที่ใด้รูที่นั้นแล้วก็เหมือนกับชักผ้ามันสะอาด ราไม่ยอมไม่ยอมให้มาเิดเปื่อนทางกาทาั้งใจต่ก่อนเราไม่รู้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนมันมาใช้จ่ายใช้จ่ายของเราให้หวั่นไหวผู้แพร่แพรอยู่เสมอแบบนี้เมันปกติ ปกติเป็นบ้าทของชีวิตไม่ฟูเม่แคบเหมือนเมื่อก่อนก็มนความสงบในสันติในความสงบ ก, กับชีวิตของตัวเองต่างเก่าพนภาวะเดิมๆมันก็เป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำเป็นพิธีว่าแต่เข้าให้ถึงจริงๆนะ นี่กายก็มีสติปัญญ า, าจริงๆวิธีใดที่จะมีสติปัญญ า, ยายอยู่เป็นประจํกาก็มัธยมมีทุกรูปแบบในบระพาต่างๆจะมารู้จักตัวได้มากมายในกายเรานี่การยกมือสร้างจั้งหวะสืบี่จังหวะทุกวินาทีนี่คือรูปจักตัวอยู่เป็นประจําเดินจงกรมแต่ละก้าวรู้จักตัว หายใจเข้าหายจออกรู้สึกตัวมองหน้ามองหลังข้างซ้ายข้างขว า, ขารู้สึกตัวเวลามัาคิดเกิดหนักก็รู้สึกตัวตอนนี้แราหวัามีสติภายในกายได้มีโอกาสสอนกายสอนใจที่มันไม่ถูกต้องมากม า, ายวันหนึ่งชั่วโมองหนึ่ง โดยมาเป็นความรู้ชั่วโมงหนึ่งมากขึ้นมากขึ้น14จังบวะแต่ละวินาที14รู้ไปแล้วรู้ทุกวินาที14รู้ใส่ใจที่ยกมือให้มันรู้มันไ่ใช่คิดรู้เอาเปนการสัมผัสกรรมาฐานเป็นการสัมผัสเป็นปฏิบัติไม่ใช่มาเรียนรู้ปฏิบัติลงไปให้รู้ถึงตัวอยู่ที่กาย ทุกคนก็ทำได้ไม่มีใครทำมาได้ความรู้สึกตัวไม่เกี่ยวกับเพศไหวระตินิกายหนุ่มแก่ผู้เท่าตาบอดหูหนวกคือพีกคนไม่การหายใจได้เดียก็ชื่อว่าใช่ได้จึงสะดวกที่สุดการปฏิบัติธรรมอย่าเอาอะไรมาอ้างเกรมรู้สึกตัวมีกายมีใจนี่แหละเป็น ที่ปลูกของขลมรู้สึกตัวเราอยู่ที่ไหนไกายก็อยู่นั่นใจก็อยู่นั่นหวังว่าจะมันดูด้วยกันรู้สึกตัวได้ใช้ทุกเวลาจนกว่าสมาร์ตสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจคือทำรักษาแล้วบันเอาสติเป็นเจ้าของกายของใจแล้วมันก็ปลอดภยัยไม่มีภยัย มันก็ต่างกันนะเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงคือสติเวลามันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์คือสติเวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บคือสติเวลามันแกลไม่เป็นผู้แกลเห็นมันแกลค้นจากความแกล้งเป็นสติเวลามันตายเห็นมันตายพ้นจากความตายคือสติ กายเป็นชาญเป็นมักเป็นผลไปโน่นตราจันานเป็นศาสตร์เป็นศิลขึ้นมาก็อยู่เหนืโลกได้โลกที่มันอยู่กับกากับจจอยู่เหนือมันได้จริงๆถ้าเราได้ทำอย่างนี้เราก็เห็นไม่เป็นไม่เป็นไปกับสิ่งที่เกิดเกิดกากับจใจเห็นหมดทุกอย่างให้เป็นอลไรกับอะไรที่มันเกิดเกิดกากั บ, กบจาน คนหนวหนวโลกเป็นสดยอดของชีวิตถึงจุหมายปลายทางที่จะรูปได้กายได้รูปใน้นามมามาใช้ให้เกิดความสำเร็จถ้าเราไม่ใช้มันก็เกิดเจ็บเจ็บตายรูปนี้นามนี้เป็นทุกข์ก็มากง่ายหลวมพ่ป้าเก่ากของลอกของชอบใจก็เป็นทุกข์ ผมไม่สบายกายวผมไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปาฏิหาริย์สิงใดมาได้สื่อนั้นนั้นก็เป็นทุกข์เรามีความทุกข์อย่างอ่อแล้วมีความทุกข์เป็นเบอหน้าแล้วจะนอนหลับหลยอย่างไรตื่นขึ้นมามาดูบัญชีอะไรที่มันทุกข์เกิดกับกายมากมายัหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์ถ้าไม่หายใจมันเป็นทุกข์ ต้องกินต้องถ่ายถ้าไม่กินไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์ถ้าไม่หลับไม่นอนก็เป็นทุกข์แล้วเจพอพดถั่วเองก็เป็นทุกข์มากอยู่แล้วยึงเอาอะไรมาบังคับให้เป็นทุกข์ไปอีกมิจิเลตันหาบังคับมันทิ้งปุงแต่งขึ้นมาเองไม่จำเป็นกินข้าวจำเป็นหลับนอนก็จำเป็นกิเลตันหาเทความโกโรธโลภหลงเนี่ยไม่ได้จำเป็นเลยแต่เป็นลับใช้เหมือนทำไม เอามันต็มใหญ่ถ้ากูไดโกรก็ไม่ยอมมันอะไรชีวิตของเราไปอย่างนั่นเลยบางทีแม้แต่ความคิดเฉยก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากความคิดเกือบแปดสิบเปอร์ซ็นต์นะเท่นี้มันจะมีค่าอะไรชีวิตเราไม่ชมว่าเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐฝึกได้เป็นพุทธะได้เป็นพุทธะดา มนุษเนี่ยยกมือขึ้นรู้จักตัวนี่แหละโนอโพที่ผึกน่้ให้ลูกอย่างนี้ให้ลูกอย่างนี้เราจะไปอะไรเป็นชีวิตเสนแท้แน่นอนลูกถอมน้ำทำเกิดกินแล้วตั้งอยู่ดัดไปเกิดกันแล้วเจ็บเจ็บตาปเกิดกินแล้วมีเล่าหายไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของนตนโดยยากไม่ใชื่อตัวใช่อตุล แล้วก็ขอสอนเราก็ได้เจ่งอยู่ใอ้คนยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราจะไปอยู่ที่ไหนไปหาอะไรที่ไหนในตัวเรานี้มีไหมมีหลงไหมถ้ามีหลงหลังงานเขาเรามาให้บรรลชซะมีทุกไหมถ้้มีทุกหลังงานเ้าเรามาให้บรรลชซะ ให้มีความรู้จักรู้จักตัวจากลับมาหากรรมฐานจัาถ้ามันคิดไปถึงบ้านถึงลูกถึงเมียก็หวงอะไรก็กลับมารู้จักเจ็ดวานสิบวนันสี่สิบวันสนุกเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันก็มีงานให้เปลี่ยนบางทีก็ไม่ลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนมีความโกรก็คิดถึงความโกรก็นไม่ความรักก็คิดถึงความรัก นั่นล ง, งานเขางเราแล้วกลับมารู้สึกตัวสะนั่นใช่มาผิดแล้วเปืเป้อนมามากแล้วแต่ลดมือสองสุกช่มมาแล้วมีรอยอยู่แล้วรอยลักรอยชค่นรอยสุกรอยซุกรอยดีใจรอยเสียใจใจะปล่อยที่อยังไงมีประโยชน์อนไรเขาไมสิทตินะมีสฉติไม่ สิจที่ในทางเป็นธรรมตัดสิ้งใจตัวเองในความเป็นธรรมตัดสิ้ใจเป็นไหมเรามาโกรธตัดสิ้ใจไม่โกรธได้ไหมขณะที่มันโกรธมีสิตที่ไหมเครใช้สิทธิของตัวเองไหมอะไรที่มันดีละ่ะมันโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้จักเปลี่ยนมันให้เป็นไม่โกรธอะไรเป็นปเฉลิมเฉลิมเฉลิมเสลิมันุษยมันเปลี่ยนร่ายเป็นดีได้เลย จะโกรธไปถึงไหนจะหลงไปถึงไหนจะทุกข์ไปถึงไหนมีประโยชน์อะไรเรมรู้จักตัวน่ยเป็นชีวิตที่ปกติบ้านบ้านชีวิตคือปกติหลงเป็นรู้นี่ได้ชีวิตขึ้นมาน้อยน้อยทุกข์เป็นรู้ได้ชีวิตขึ้นมาสุขเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้ได้ชีวิตขึ้นมาตรงนี้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 เวลาผ่านไปผ่านไปมันก็ไม่ผ่านแต่เวลามเราชีวิตเราไปด้วยเหมือนกับไปจากคาดจงโคเข้าสู่ตะแลงแจงเพื่อประหารโครยิงก้าวไปแต่ละก้าวใกล้ความตายเข้าไปทุกทีมันไปสู่ความตายใกลเ้เข้าไปเข้าเข้าไปม่ใช่เรามีอายุเราหมดไป แล้วนีน่ชีวิตจริงๆมันได้จากสิ่งที่ผิดมาเปลี่ยนสิ่งที่ถูกคือความรู้จักตัวนะาตรงที่มีชีวิตไม่เอามันก็หมดไปยันหลงไม่รู้ชีวิตไม่มีแล้วทุกไม่รู้ชีวิตไม่ได้แล้วโกรธไม่รู้คิดไม่ได้แล้วชีวิตเราต่อตรงนี้ต่อยอดตรงนี้อยอดหม่ตรงนี้ หลงในยอดเธอรู้ทุกตดวยอดเธอยรู้สุขโดยรอดเธอยวรู้อะไรที่มันแ ก, ก, ก่กาเกิดได้มาเป็นยอดที่รู้นี่คือชีวิตมันกาะเกิดตรงนี้ชีวิตที่ไม่เกอไม่เก็บ ไ, ไม่ตายมันเกาะเกิดตรงนี้ไม่มีใครที่สร้างได้ไม่แต่ตัวเราเองให้คนอื่นให้ไม่ได้ตัวใครตัวมันถ้าท่านหลงเองท่านก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ ถ้าท่านโกรธเองท่านก็ต้องเปลี่ยนโกรธเป็นรู้ถ้าไม่เปลี่ยนท่านก็ไม่ได้อะไรเลยชีวิตนียมารับใช้มารับเป็นภาระความทุกข์ยอมรับหัวจะทุกเศร้าโศกเสียใจลองห่มลองไห้ ห, หัวรอลองไห้เดี๋ยวฉันนั่นเือ มีธรรมมีพุท ธ, ธมีศาสนาศาสนาสิ่งคำสอนมีพระเจ้ามีคําสอนมีพระธรรมคําสอนปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติจอมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นธรรมทุกคนจะผู้ปฏิบัติไปจริงที่ควรโน้มมาเส่เราอย่ามั่งไก่อยู่ไกลๆโน้มมา เปนสิ่งที่ควงกล่าวคนอื่นควนมาดูเป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัตินี่คือพระถรมความจริงเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามทำเป็นพระสงฆ์พระอาญาบคุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่พระโฉดามันพระสกิคาคามีพระนาคามีพาาระรหัสตามรมตามบุมมิของธรรม เราจะอยู่ในชั้นไหนสิทธิของเราแล้วสิทธิคนเราที่จะมาไดยรูปเป็นนามมันเหมามันยากเหลือเกินที่มาเกิดเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมีคนเจ้าของมีคนพออค่อคนแม่ถ้ามันพุ่มค่าที่ท่านได้เกิดมาแตาพ่อแม่อาจะทําไม่ได้แต่ลูกของแม่ของพ่อนี่จะต้องทำไม่ได้เลยเนะ ได้มีมาแล้วแต่เป็นมาแล้วชีวิตของเราเนี่ยได้เป็นมาแล้วไม่ทําไม่วิธีปฏิบัติตึ่งจิหมายปลายทางได้เราจึงไม่ควรสละเสริจของเราเอาอกาดมาสุขมาลงสนามเป็นไม่เป็นเพื่อนกัน ทีนี้ขอให้เป็นสนามฝึกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเราฝึกสำเร็จล้วก็คุ่มค่าชีวิตเกิดตาไม่เสียชาตินะจะไม่พาหลงทิศหลงทางแน่อนอนถ้ามีสติให้ทำตามอย่างนี้ ถ้ามันหลงให้รู้จักตัวอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจให้หมาลู่จักตัวไปก่อนอย่าหาคําตอบจากความคิด ห, ห้เหตุตามผลหมรู้จักตัวใช้ดูซิมันหลงก็รู้นี่คือลู่จักตัวมันทุกก็รู้มันสุขก็รู้มันเจงหงกก็รู้ ม, รมันพุ่งซ่านก็รู้มันง่วงเหงา ห, าหนอนก็รู้ อะไรที่มันเกิดกับคกายใจให้มีแต่ขุมลูกเข้าไปขุมลูกเขาไปอย่างนี้มันจะเป็นทางไปทางมาอยู่ตรงที่มันลุบกันละ่ะต้าไม่ขุมมัธยมจะมีลุบมันก็ไม่มีทางเอี่ยบไปหลงลูกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในกายในใจลูกจุกตัวลูกสุกจะเป็นทางไปลู่น้อยข้างพันหัวจะเป็นทางสะอาดมากขึ้นโล่งมากขึ้น หลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธ ด, ดีใจเข็ดใจเป็นดีใจเข็ดใจมันจะลุกอยู่นั้นไม่เป็นทางสติมืดไม่มีทางไม่พบทางก็จะขยันโลกก็ได้ทางมากสาดมากโล่งแจ้งมากสะดวกมากอัดใหม่ๆอาจจะไม่สะดวกนะต้อหลงไปจะมาก เราเที่ยงันเกิดกรมหลองเกิดมามากมายก็ให้ลูกยอมรู้สึกตัวไม่เหงื่อไม่ไหลไม่ลำบากทําได้ทุกคนเนาะผู้หญิงก็ทำได้แม้ที่พืนเช้าคพแนเจ้เจก็ทำได้พระผมก็ทำได้สาควรจิตเวลาบอาพระองคกัน